สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบสี่เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูทั้งที่สี่สิบเก้าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพรงพี่น้องครับนี่คือคำวิงวอนคำอธิษฐานในช่วงที่สำคัญมากที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นพพะพรไม่จุด เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องลงทุนมากที่สุดก็คือการให้มนุษย์ได้รับการอภัยโทษบาปการให้มนุษย์นั้นได้รับการยกบาปผิดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยรักษาเราให้รอดพ้นจากนรกนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาเราให้รอดจากนรกนี่คือความรอดครับ แต่เป็นสิ่งที่ให้ความปีติยินดีในชีวิตของเราอันนี่คือชีวิตนิรันดร์ที่เป็นพระพรมากที่สุดนั้นเพราะเป็นสิ่งที่จะนําเราเข้ากับคืนดีกับพระเจ้านําเราเข้ากับสู่ความสัมพันธ์ของพระเจ้าที่จะดําเนินตลอดไปแต่ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนมากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่า สิ่งที่เราได้รับนั้นมีค่าเท่ากับชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าก็คือองค์พระเยซูกิตที่จะต้องชิ่นพระชนบนไม้กางเขนนั่นเองพี่น้องครับการอภัยโทษบาปนั้นเป็นสิ่งที่จิตใจหรือชีวิตของมนุษย์นั้นต้องการมากที่สุดเพราะว่าความบาปนั้นมีผลกระทบสองทางครับมีผลทําให้มนุษย์ถูกแช่งสาปตลอดไปและในขณะเดียวกัน ความบาปนั้นก็ปล้นเอาความสมบูรณ์ภูนสุขของชีวิตไปความบาปนั้นใส่ภาระแห่งความรู้สึกผิดให้แก่เราตลอดเวลาครับจิตสานึกของเราจะถูกรบกวนตลอดเวลาครับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของเราก็จะถูกความบาปรบกวนตลอดเวลาครับจิตใจจิตวิญญาณของเราก็จะถูก ความบาปนั้นส่งผลกระทบและกัดกร่อนเราตลอดเวลาจึงเป็นไปชนิดที่เรียกว่าร0อยเปอร์เซ็น์ทีเดียวครับที่ว่าความบาปนั้นเป็นปัญหาหลักของชีวิตมนุษย์เป็นปัญหาหลักมาตั้งแต่โบราณกาลนับตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวาแล้วมนุษย์นั้นต้องดิ้นรนต่อสู้กับความบาป และพระเจ้าได้ประทานหนทางหนทางต่อสู้กับความบาปนั่นก็คือการหันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าแต่ก่อนที่จะหันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้ากลับมาเคานดีกับพระเจ้ากลับมาฟื้นฟูบูรณะความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นจะต้องได้รับการอภัยโทษบาปก่อนครับที่เป็นเหตุที่เป็นคำอธิษฐานในช่วงนี้ที่พระเยซูสอนเราให้เราอธิษฐานนั่นก็คือ ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพรงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจิตประสาทได้กล่าวไว้นะครับว่าใครก็ตามที่มีจิตสำนึกที่ปลอดโปร่งจิตสำนึกที่บริสุทธิ์คนคนนั้นจะมีเครื่องส ก, กัดหรือภูมิคุ้มกันต่อโรคประสาทได้ เป็นอย่างดีแสดงว่าจิตสำนึกที่เคลียร์โลง่งโปรง่งสว่างนะครับเป็นจิตสำนึกที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมีครับเพราะเหตุที่ว่าจิตสำนึกแบบนี้เป็นเครื่องคุ้มกันไผ่เป็นภูมิคุ้มกันเป็นเครื่องสกัดกั้นเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคประสาทเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคจิตครับพี่น้องครับ ความเห็นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเหตุที่ว่าจิตสำนึกนั้นเกี่ยวโยงกับจิตใจและจิตวิญญาณนะครับด้วยเหตุนี้การมีจิตสำนึกที่ปลอดโปรง่งหรือมีจิตวิญญาณที่มีคอนเน็กชันมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าย่อมส่งผลต่อจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างดีย่อมส่งผลต่อระบบจิตประสาท ความคิดความรู้สึกอารมณ์ของมนุษย์เป็นอย่างดีในหนังสือเล่มหนึ่งครับของนักวิชาการหรือครสเตียนผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งชื่อจอ h ์นสต็อท่านเป็นอาจารย์ของคนที่มีความรู้สูงในโลกนี้ในด้านศาสนศาสตร์นะครับท่านเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Confess y ฟ u r s i n หรือจงสารภาพความบาปของท่าน ท่านจอห์นสต็อดนั้นได้อ้างอิงถึงข้อความของผู้อํานวยการโรงพยาบาลในอังกฤษผู้อํานวยการในโรงพยาบาลอังกฤษนั้นก็คือเป็นแพทย์นะครับเขาพูดว่าอย่างนี้ครับแพทย์ผู้นั้นบอกว่าในวันพรุ่งนี้คนไข้ครึ่งหนึ่งของผมจะออกจากโรงพยาบาลได้หากพวกเขามั่นใจได้ว่าพวกเขาได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับ หมอซึ่งเป็นผู้อนนวยการในโรงพยาบาลแห่งอังกฤษนะครับกล่าวว่าอย่างนี้ครับในวันพรุ่งนี้คนไข้ครึ่งหนึ่งของผมจะออกจากโรงพยาบาลได้หากพวกเขามั่นใจว่าพวกเขาได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับคนเรานะครับต้องการหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรับการอภัยโทษรับการยกโทษ ซึ่งการยกโทษนี้เป็นความต้องการส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใจของมนุษย์ครับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งในอดีตต้องได้รับการยกโทษหมดการยกโทษนั้นนํามาซึ่งสุขภาพที่ดีสุขภาพทางด้านร่างกายนะครับและสุขภาพทางด้านจิตใจนะครับตามที่คุณหมอจิตแพทย์คุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาล น, นั้นได้กล่าวไว้ และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการยกโทษนั้นจิตวิญญาณต้องการครับเพื่อการเข้าสู่สวรรค์เพื่อการคืนดีกับพระเจ้าเพื่อการได้รับความรอดเพื่อการมีชีวิตอิรันเพราะฉะนั้นการยกโทษนั้นจึงเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของมนุษย์และเป็นคำอธิษฐานตามอย่างพระเยซูที่พระเยซูได้สอนเราให้เราอธิษฐานเพื่อรับการยกโทษ นี่เป็นจุดที่มนุษย์กับพระเจ้าเราจะต้องมาพบกันนะครับมนุษย์จะพบกับพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์นั้นสานึกในความผิดบาปของตนไม่ว่าจะเป็นความบาปแห่งการล่วงละเมิดล่วงละเมิดก็คือมีเส้นอยู่และเราข้ามเส้นไปเส้นนั้นมีความหมายถึงธรรมบัญญัติหรือกฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าคาสั่งของพระเจ้าเราละเมิด นะครับการละเมิดนี้พูดง่ายๆก็คือการไม่เชื่อฟังนั่นเองการไม่เชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าการไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นถือว่าเป็นการล่วงละเมิดในขณะเดียวกันครับยังมีความบาปอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เรียวกว่าการละเว้นการละเว้นก็คือเป็นคําสั่งเหมือนกันแต่คุณไม่ได้ข้ามเส้นแต่คุณไม่ทํานะครับนั่นก็เกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังอีกเหมือนกันครับพระเจ้าบ่อยทําแต่เราไม่ทํา พระเจ้าบอกว่าอย่าทําแต่เราก็ทําพี่ น, น้องครับนี่คือการล่วงและเมิดกับการลาเว้นเราข้ามเส้นนะครับหรือเราไปไม่ถึงมาตรฐานพี่ น, น้องครับเราจะต้องพบกับพระเจ้าและเราจะพบกับพระเจ้าแบบไหนครับเราจะพบกับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีหรือบางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นเขาอาจจะพบกับพระเจ้านะครับแต่พบกับพระเจ้าแบบไหนครับแบบ ขบเคี้ยวเคี้ยวฝันแบบร้องไห้นะครับเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าครับแต่ความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีกับพระเจ้านั้นเกิดจากการที่เราจะต้องสารภาพบาปความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อความบาปของเรานั้นถูกจำจำจัดครับความสัมพันธ์ที่ดี การเคืนดีกับพระเจ้าความรักของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าความรอดชีวิตนิรันดรจะเข้ามาถึงเราได้ก็โดยการที่ความบาปของเราถูกกาจัดไปแล้วโดยการที่เราสารภาพบาปครับโดยการที่เรากับคืนดีกับพระเจ้ารับการอภัยโทษที่มาจากพระเจ้าการสำนึกว่าเราเป็นคนบาปนั้นมีความสำคัญสูงสุดครับและความปรารถนาความต้องการอย่างแรงกล้า ในหัวใจในชีวิตของเราที่จะกลับใจใหม่เรารู้ว่าความบาปนั้นมีผลที่ไม่ดีอย่างไรแต่เมื่อมันมีผลที่ไม่ดีอย่างไรมันส่งผลต่อชีวิตของเราในอนาคตอย่างไรนั้นเราจึงกลัวเราจึงไม่อยากที่จะทำบาปเราจึงอยากที่จะรับการอภัยโทษบาปมีช่องทางเดียวเท่านั้นที่เราจะไปถึงการอภัยโทษบาปได้นั่นคือการสารภาพบาปครับสารภาพบาปกับใครครับ ไม่มีสารภาพบาปกับลมไม่ีสารภาพบาปกับสิ่งอื่นแต่สารภาพบาปกับพระเจ้าผู้วางกฎเกณฑ์ครับพระเจ้าผู้ทรงสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงควบคุมคุณธรรมความดีนะครับนี่คือพระเจ้าของเราเพระาะฉะนั้นถ้าหากว่าสารภาพบาปกับใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ครับต้องสารภาพบาปกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นความจริงสูงสุดพระเจ้าทรงเป็นคุณธรรมสูงสุด และพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้วางกฎสูงสุดครับพระเจ้าทรงเป็นความดีสูงสุดเช่นเดียวกันเป็นความดีที่สมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นไม่มีความดีใหที่อาจจะเทียบกับพระเจ้าได้ด้วยเหตุนี้ครับผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้ครับว่าการสารภาพบาปนั้นเกิดจากการสำนึกนะครับการเสียใจและการถ่อมใจลงรู้จัก กับพระเจ้ายอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางในทุกความบริสุทธิ์ทุกการกระทำในเมื่อ น, นั้นแหละเราจะพบว่าเราเป็นคนที่ต่าต้อยที่สุดครับและเราเป็นคนที่ไม่สมควรเราเป็นคนที่ไม่เหมาะสมแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูได้ทรงชิ้นประชนบทไม้ยังเขียนพระบิดาได้ทรงพระบุตรของพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหา เรื่องความบาปของมนุษย์แต่เราตอบสนองอย่างถูกต้องถูกวิธีเราจะมีชีวิตนิรันดร์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้เราทั้งหลายใคร่ครวญชวีตของเราว่าในทุกๆวันครับเราทํำบาปเล็กบาปน้อยไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปน้อยหรือบาปใหญ่ขนาดไหนเป็นความบาปทั้งสิน้นเราเองจะต้องสารภาพบาปครับและเราเองจะต้องสํานึกเสียใจ และเราเองจะต้องตั้งใจที่จะไม่ทําอีกนั่นคือการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงแต่เมื่อคนเรานั้นกลับใจหม่อย่างแท้จริงเขาก็ต้องคุกเข่าลงสารภาพบาปทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเพื่อจะรับการทรงโปรดยกความผิดของข้าพระองค์อามี